พึงหวังผลอันับประมาณไม่ได้ข้อความจากทัคคิณาวิพังคสูตรทานหาประการต่อไปนี้เป็นมหาทานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะไม่มีบัณฑิตใดรังเกียจคือเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าเป็นผู้เว้นข่าจากการยักยอกทรัพย์เป็นผู้เว้นขาากกา่นนขาจากการผิดลูกเขาเมียใคร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 เหมือนตั้งสมบัติไว้บนเขตที่แผ่นดินไหวบ่อยไม่แน่ว่าสมบัติจะพังราไปเมื่อใดหรือกระทั่งตัวเจ้าของจะต้องตายตามสมบัติในวันไหนที่แน่ๆนคือตามกฎแห่งกรรมวิบากแล้วชาติหน้าของคนทุศีลคงยากจะประสบสุขมีคนอยู่จำพวกหนึ่งเคยทำทานไว้มากผลของทาน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 แม้มีเหตุยั่วยุให้อยากเอาของเขามาเป็นของเราก็ละเว้นได้ทั้งทรัพย์เล็กและทรัพย์ใหญ่ใจจึงตั้งอยู่ในความคิดยกให้เจ้าของครอบครองทรัพย์ของเขาไปตามเดิมจัดเป็นชนวนความคิดให้ทานประการหนึ่ง 3. ามเมื่อตั้งใจเว้นขาดจากการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านแม้มีเหตุยั่วยุให้เกิดราคะแรงกล้า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 เป็นตัวดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองกับทั้งทาตัวเหมือนแผ่นดินอันมั่นคงเป็นที่ตั้งรองรับสมบัติไม่ให้โยกคลอนหรือกระจายหายไปไหนเมื่อทามาหาทานอยู่ทั้งชีวิตใจ ย, ย่อมรู้สึกอยู่ว่าเมื่อชาตินี้รวยสีนแล้วจะแปลกอะไรถ้าชาติหน้าจะรวยทรัพย์อย่างมั่นคงต่อไป